พระนางศีวลีเทวีกราบถุนว่าชนทั้งปวงคือกองช้างกองมา้ากองรถกองเดินเท้าตกใจว่าพระราชาทรงผนวดเสียแล้วขอพระองค์โปรดทำให้ชุมชนอุ่นใจตั้งความคุ้มครองไว้อภิเศกพระโอรสในราชสมบัติแล้วจึงทรงผนวดต่อภายหลังเถิดพระโพธิสัตว์ตรัสว่าแน่ประชาบดี ชาวชนบทมิตรอมาตและพระประรยาตทั้งหลายเราสละแล้วทีคาวุราชกุมารผู้ยังแว่นแคว้นให้เจริญเป็นบุรของชาววิเทหรัฐชาววิเทหรัตเหล่านั้นจักให้ครองราชสมบัติในกรุงมิถิลามาเถิดอาตมาจะให้เธอศึกษาตามคำที่อาตมาชอบเมื่อเธอให้พระโอรสครองราชสมบัติ ก็จะกระทำบาปทุจริตเป็นอันมากด้วยกายวาจาใจซึ่งเป็นเหตุให้เธอไปสู่ทุกคติการที่เรายังอัตภาพให้เป็นไปด้วยก้อนข้าวที่ผู้อื่นให้ซึ่งสําเร็จแต่ผู้อื่นนี้เป็นธรรมของนักปราชญ์พระเชวีทรงตําหนิพระมหาสัตว์ว่าคนที่ฉลาดแม้ไม่ได้บริโภคอาหารสีมือ้อราวกล่าวว่าจะตายด้วยความอด ก็ยอมตายเสียด้วยความอดเขาจะไม่ยอมบริโภคก้อนเนื้อคลุกฝุ่นไม่สะอาดเลยข้าแต่พระมหาชนกพระองค์สเิเสวยได้ซึ่งก้อนเนื้ออันเป็นเดนสุนักไม่สะอาดน่าเกลียดนักพระโพธิสัตว์ตรัสว่าแน่พระนางศรีวลีก้อนเนื้อนั้นชื่อว่าไม่เป็นอาหารของอาตามาหามิได้ เรา ถ, ถึงจะเป็นของคนครองเรือนหรือของสุนัข ก, ก็สละแล้วของบริโภคเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกนี้ที่บุคคลได้มาแล้วโดยชอบธรรมของบริโภคทั้งหมดนั้นกล่าวกันว่าไม่มีโทษพระโพธิสัตว์ตรัสถามกะนางกุมาริกาว่าเน่นางกุมาริกาผู้ยังนอนกับแม่ผู้ประดับกําไรมือเป็นนิด กำไลมือของเจ้าข้างหนึ่งมีเสียงดังอีกข้างหนึ่งไม่มีเสียงดังเพราะเหตุไรนางกุมาริกากล่าวว่าข้าแต่พระสมณะเสียงเกิดแต่กำไลสองอันที่สวมอยู่ในข้อมือของข้าพเจ้านี้กระทบกันความที่กำไลทั้งสองกระทบกันนั้นเป็นเหตุแห่งเสียงกำไลอันหนึ่งที่สวมอยู่ในข้อมือของข้าพเจ้านี้นั้น ไม่มีอันที่สองจึงไม่ส่งเสียงเป็นเหมือนนักปราดสงบนิ่งอยู่บุคคลสองคนก็วิวาดกันคนเดียวจกวิวาดกับใครเล่าท่านผู้ใครต่อสวรรค์จงชอบความเป็นผู้อยู่คนเดียวเถิดพระมหาศัตตร์ตรัสว่าแนศิวลีเธอได้ยินคาถาที่นางกุมาริกากล่าวแล้วหรือ นางกุมาริกาเป็นเพียงชั้นสาวใช้มาติเตียนเราความที่เราทั้งสองประพฤติคืออาตมาเป็นบรรพชิตเธอเป็นสตรีเดินตามกันมาย่อมเป็นเหตุแห่งครหาแนนางผู้เจริญมักคาสองแพร่งนี้อันเราทั้งสองผู้เดินทางจงแยกกันไปเธอจงถือเอาทางหนึ่งไปอาตมาก็จะถือเอาทางอื่นอีกทางหนึ่งไป เธออย่าเรียกอาตมาว่าเป็นพระสวามีของเธอและอาตมาก็จะไม่เรียกเธอว่าเป็นมเหสีของอาตมาอีกพระศาสดาตรัสว่าเมื่อกษัตริ์ทั้งสองกำลังตรัสข้อความนี้อยู่ได้เสด็จเข้าไปยังถูนนนครเมื่อใกล้เวลาฉันพระมหาสัตว์ประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูเรือนของช่างสอนช่างสอนนั้นหลับตาข้างหนึ่ง ใช้ตาอีกข้างหนึ่งเล็งลูกสอนอันหนึ่งซึ่งคดอยู่ดัดให้ตรงที่ซุ้มประตูนั้นพระมหาสัตตร์ตรัสว่าแน่ช่างสอนท่านจงฟังอาตมาท่านหลับจักสุข้างหนึ่งเล็งดูลูกสอนอันคดด้วยจักสุข้างหนึ่งด้วยประการใดท่านเห็นความสาเร็จประโยชน์ด้วยประการนั้นหรือเนอช่างสอนกราบทูลว่า ข้าแต่พระสมณะการเล็งด้วยจักสุทั้งสองปรากฏว่าเหมือนพลาไปไม่ถึงที่คดข้างหน้าย่อมไม่สำเร็จความดัดให้ตรงถ้าหลับจักสุข้างหนึ่งเล็งดูที่คดด้วยจักสุอีกข้างหนึ่งเล็งได้ถึงที่คดเบื้องหน้าย่อมสำเร็จความดัดให้ตรงบุคคลสองคนก็วิวาทกันคนเดียวจกวิวาทกับใครเล่าท่านผู้ใครต่อสวรรค์ จงชอบความเป็นผู้อยู่คนเดียวเถิดพระมหาสัตรัตว่าแน่นางศีวลีเธอได้ยินคาถาที่ช่างสอนกล่าวหรือยังช่างสอนเป็นเพียงคนใช้ยังติเตียนเราได้ความที่เราทั้งสองประพฤตินั้นเป็นเหตุแห่งความครหาแน่นางผู้เจริญทางสองแพร่งนี้อันเราทั้งสองผู้เดินทางมาจงแยกกันไป เธอจงถือเอาทางหนึ่งไปอัตมาก็จะถือเอาทางอื่นอีกทางหนึ่งไปเธ อ, อย่าเรียกอัตมาว่าเป็นพระสวามีของเธอและอัตมาก็จะไม่เรียกเธอว่าเป็นมเหสีของอัตมาอีกหญ่ามุงกระตายที่ติดกับอยู่แต่เดิมซึ่งอัตมาได้ถอนขึ้นแล้วแน่ศิวีเธอจงอยู่ผู้เดียวเิด มหาชนกชาดกที่สองจบ